สมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนโมกขราชท่านจงมีสติพิจารณาเห็นโลกโดยความเป็นของศูนย์ถอนอัตตานุทิฏฐิความสาคัญว่าเป็นตนเสียแล้วพึงเป็นผู้ข้ามพ้นมัจจุด้วยอาการอย่างนี้ถ้าหากว่าเห็นโลกเนี่ยศูนย์จากความเที่ยงเป็นต้นเนี่ยนะถอนอัตตานุทิฏฐิท่านจะข้ามพ้นมัจจุด้วยอาการอย่างนี้มัจจุราชย่อมไม่เห็นบุคคลผู้พิจารณาเห็นโลกอย่างนี้ และสมจริงดังคาถาที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนพิสูุทั้งหลายสิ่งใดไม่ใช่ของท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายจงละสิ่งนั้นเสียเถิดสิ่งใดที่ท่านทั้งหลายละเสียแล้วจักมีเพื่อประโยชน์เพื่อสุขตลอดกาลนานดูก่อนพิสูุทั้งหลายก็สิ่งอะไรไม่ใช่ของท่านทั้งหลายดูก่อนพิสูจทั้งหลายรูปไม่ใช่ของท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายจงละรูปเสียรูปนั้นท่านทั้งหลายละเสียแล้วจักมีเพื่อประโยชน์เพื่อสุขตลอดกาลนาน เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่ของท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายจงละเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นเสียเถิดรู้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่ท่านทั้งหลายละเสร็จแล้วจักมีเพื่อประโยชน์เพื่อสุขตลอดกาลนานดูกรพิสูจน์ทั้งหลายท่านทั้งหลายจะสําคัญความข้อนั้นเป็นชไหนหะญ้าไม้กิ่งไม้และใบไม้ในวิหารเชตวันนี้คนพึงนําไปเผา นำไปเผาเสียหรือทำตามปัจใจท่านทั้งหลายเพิ่งมีความคิดอย่างนี้หรือว่าคนเนี่ยย่อมนำไปเผาเสียซึ่งเราทั้งหลายหรือทำตามปัจใจเขากำลังนำเราไปเขากำลังเผาเรานะเราคิดอย่างนั้นไหมเห็นไฟไหม้ป่าเนี่ยคิดไหมว่ามันกำลังไหม้เราอยู่เนี่ยนะคิดอย่างนั้นไหมอย่างั้นเขาบอกว่าไม่มีความคิดอย่างนั้นเลยพระเจ้าค่าถามว่าคอนั้นเพราะเหตุไร เพราะสิ่งนั้นไม่ใช่ตนหรือสิ่งที่เนื่องด้วยตนแห่งค่าพระองค์ทั้งหลายเพราะฉั้นเวลาไฟไหม้ป่าเราก็ไม่ได้คิดว่าเราถูกไหม้หรือของเราถูกไหม้ใช่ั้ยก็ไม่ได้คิดอย่างนั้นเพราะฉะนั้นฉันนั้นนั่นแหละพิสูทั้งหลายสิ่งใดไม่ใช่ของท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายจงละสิ่งนั้นเสียเถิดสิ่งนั้นท่านทั้งหลายละเสียแล้วจักมีเพื่อประโยชน์คือนิพานเพื่อความสุขตลอดกาลนาน ดูความพิสูจทั้งหลายก็สิ่งอะไรไม่ใช่ของท่านทั้งหลายก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยไม่ใช่ของท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายจงละคือละฉันทราคะในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเสียเถิดรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ น, นั้นที่ท่านทั้งหลายละฉันทราคะเสียแล้วจักมีเพื่อประโยชน์เพื่อสุขตลอดกาลานานสมดังภาษิต ท, ที่ว่าดูก่อนคาเินี เมื่อบุคคลเห็นความเกิดขึ้นพร้อมแห่งธรรมะล้วนๆเนี่ยนะธรรมะล้วนๆที่มันเกิดมันเกิดไปตามปัจจัยและความสืบต่อแห่งสังขารล้วนๆเนี่ยว่าสังขารเนี่ยสืบต่อกันตามเป็นจริงถ้าหากว่าเห็นแต่ธรรมะเนี่ยนะเกิดจากปัจจัยที่มันไหลสืบเนื่องกันไปตามเหตุตามปัจจัยถ้าเห็นอย่างนี้นะภัยคือความกลัวก็ไม่มีเมื่อใดบุคคลเห็นขันธโลกนะเห็นโลกคือขันธ์เนี่ยเสมอด้วยหญ้าและไม้ ด้วยปัญญาขันนี้ก็ไม่ต่างอะไรจากต้นไม้ใบหญ้าด้วยปัญญาเมื่อนั้นบุคคล น, นั้นย่อมไม่ปรารถนาอะไรอะไรอื่นนอกจากนิพพานอันไม่มีปฏิสนธิ น, นะถ้าเห็นว่ามันไม่มีสาระเก่็สารเหมือนกันก็น้อมจิตไปหาอาสังขตาาธาตุอย่างเดียวยนะเพราะอาสังขตาาธาตุเนี่ยพ้นจากปฏิสนธิได้ดังที่นางวชิราภิกษุณีได้กล่าวกับมารผู้ลา ม, มกว่าดูก่อนมาร ทิฐิของท่านย่อมเชื่อสิ่งอะไรอะไรนอว่าสัตว์ท่านเชื่ออะไรเป็นสัตว์จริงๆร่างกายนี้เป็นกองแห่งสังขารล้วนบัณฑิตย่อมไม่ได้ที่จะเรียกว่าสัตว์ในกองสังขารล้วนนี้เหมือนว่าเสียงว่ารถย่อมมีเพราะคุมกันเข้าแห่งส่วนประกอบคืออะไรฉันใดเมื่อขันทั้งหลายมีอยู่ความสมมติว่าสัตว์ก็มีฉันนั้นก็ความจริงอะนะทุก คือขันห้าอย่างเดียวเท่านั้นน่ะเกิดขึ้นทุกคือขันห้านี่แหละตั้งอยู่และย่อมแปรไปนอกจากทุกคือขันห้าเนี่ยไม่มีอะไรเกิดนอกจากขันห้าก็ไม่มีอะไรดับเน่นะเพราะฉะนั้นขันห้าทั้งหลายเนี่ยเกิดก็เกิดไปตามปัจจัยถ้าหากว่าสิน้นเหตุสิ้นปัจจัยขันทั้งหลายเหล่านั้นก็ดับสมจริงตามที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูการพิสูน์ทั้งหลาย ภิกษุย่อมค้นหารูปอย่างนั้นแหละตลอดจนถึงคติแห่งรูปที่มีอยู่เนี่ยนะค้นหาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตลอดถึงกติแห่งเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็คือค้นหาแก่นสารสาระนะภิกษุนั้นเมื่อค้นหารูปตลอดจนถึงคติของรูปค้นหาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตลอดจนถึงคติของเวทนาสังขารวิญญาณที่มีอยู่ถ้าค้นก็จะประสบความเป็นจริง เมื่อคนอย่างนี้เข้าใจความถือว่าเราถือว่าของเราก็ย่อมไม่มีแม้ความถือนั้นอ่ะไม่ได้มีแก่ภิกษุนั้นนั้ น, น, น, นก็เลยไม่ได้มีความยืดถือในสิ่งเหล่านั้นท่านพระอนลนได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ตรัสว่าโลกศูนย์โลกศูนย์ด้วยเหตุเท่าไหรน้อแลพระองค์ตรัสว่าโลกศูนย์โลกศูนย์พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนอ น, อนอุนนะ ศูนย์จากตนหรือว่าศูนย์จากสิ่งที่เนื่องด้วยตนเพราะฉะนั้นเราจึงกล่าวว่าโลกศูนย์ดูก่อนอนนต์ก็สิ่งอะไรศูนย์จากตนศูนย์จากสิ่งที่เนื่องด้วยตนก็ตาเนี่ยศูนย์จากตนศูนย์จากสิ่งที่เนื่องด้วยตนรูปก็ศูนย์จากขู่วิญญาณก็ศูนย์จากขู่สัมผัสก็ศูนย์แม้สุขเวทนาทุกขเวทนาทุกขมสุขเวทนาที่เกิดจากจักรคู่สัมผัสเป็นปัจจัยก็ศูนย์คือศูนย์จากตนศูนย์จากสิ่งที่เนื่องด้วยตน หูเสียงโสตะวิญญาณเนี่ยนะโสตะสัมผัสแม้สุขเวทนาทุกเวทนาทุกขมสุขเวทนาที่เกิดจากโสตะสัมผัสเป็นปัจจัยก็ศูนคือศนย์จากตนศูนจากสิ่งที่เนื่องด้วยตนเนี่ยนะจมูกกลิ่นเนี่ยนะจมูกกลิ่นคานวิญญาณคานะสัมผัส แมสุขเวทนาทุกขเวทนาทุกขมสุขเวทนาที่เกิดจากคานะสัมผัสเป็นปัจจัยก็ศูนย์คือศูนย์จากตนศูนย์จากสิ่งที่เนื่องด้วยตนเนี่ยนะลิ้นรสจมูกกลิ่นลิ้นรสกายโพธะใจธรรมรมเนี่ยนะจนถึงมโนวิญ ญ, ญาณมโนสัมผัสสุขเวทนาทุกขเวทนาทุกขมสุขเวทนาที่เกิดเพรอะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยก็ศูนย์คือศูนย์จากตนศูนย์จากสิ่งที่เนื่องด้วยตน ดูก่อ น, น, นอนุนโลก0ูนคือศูนย์จากตนศูนย์จากสิ่งที่เนื่องด้วยตนอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราจึงกล่าวว่าโลกศูนย์ด้วยเหตุนี้สรุปว่าความกังวลอะไรอะไรวันนี้เรานี้ของเราหรือว่านี้ของคนอื่นย่อมไม่มีแก่บุคคลใดเนี่ยนะก็ไม่ได้ยึดถือว่าเป็นของใครนะเพราะมันศูนย์จากตนศูนย์จากสิ่งที่เนื่องด้วยตนเป็นต้นนั่นเองเพราะฉะนั้นความถือด้วยอำนาจตันหาความถือด้วยอำนาจทิฐิย่อมไม่มี เพระนผู้นั้นละความถือว่าของเราด้วยตันหาสละคืนว่าของเราด้วยทิฏฐิแล้วเมื่อไม่ได้ไม่พบไม่ประสบไม่ได้เฉพาะซึ่งความถือว่าของเราเพราะฉะนั้นผู้นั้นจึงไม่ได้ความถือว่าของเราคําว่าก็ไม่เศร้าโศกว่าสิ่งนี้ย่อมไม่มีแก่เราเนี่ยนะท่านก็ไม่ต้องโศ ก, กะนะว่าย่อมไม่เศร้าโศกถึงวัตถุที่แปรปรวนไปแล้ว หรือเมื่อวัตถุนั้นแปรปรวนไปแล้วก็ไม่เศร้าโศกถึงและไม่เศร้าโศกไม่ลำบากใจไม่ลำพันไม่ทุบอกคร่ำครวนไม่ถึงความหลงไหลว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราไปเปรยปรวนไปแล้วมิดอมาตยตาสาโลหิตเป็นต้นเนี่ยนะเพราะอะไรจะแปรก็แปรไปแต่ว่าใจท่านก็ไม่แปรปรวนไม่เศร้าโศกถึงสิ่งเหล่านั้นสรุปคาถาที่กล่าวไปว่าความกังวลว่า ความกังวลอะไรๆว่าสิ่งนี้ของเราหรือว่าสิ่งนี้ของคนเราอื่นย่อมไม่มีแก่ผู้ใดผู้นั้นไม่ได้ความถือว่าของเราก็ไม่เศร้าโศกว่าสิ่งทั้งล้ายย่อมไม่มีแก่เราพระรหันต์นั้นเป็นผู้ไม่ริษยาไม่ตามติดใจไม่หวั่นไหวเป็นผู้เสมอในอายตนะทั้งปวงเราถูกถามถึงบุคคลผู้ไม่มีความหวั่นไหวก็บอกอันนี้สงนั้นเห็นไห คำว่าความริษยาเนี่ยนะก็คือความริษยาในบุคคลบางคนในโลกเนี่ยเป็นผู้ริษยาย่อมริษยาชิงชังผูกริษยาริษยาอะไรก็ ค, คือริษยาในลาบส ก, การะเคารพการนับถือการไหว้การบูชาของบุคคลอื่นคือเห็นคนอื่นเขาได้ดีเดือดร้อนอะนะเห็นเขาได้รถคันใหม่แล้วก็ไม่ชอบบ้านใหม่แล้วก็ไม่ดีบักเมียสวยแล้วก็ไม่ชอบอีกนั่นแหละนั้นใครมีดีเราไม่ชอบสักอย่างเรียกว่าริษยาอันนะ้ นริสยาในลาบสการะการเคารพการนับถือการไหว้และการบูชาของคนเราอื่นปันความเป็นผู้ริสยาความเป็นผู้ริสยาความริสยากิริยาที่ริสยาความเป็นผู้ริสยาชิงชังกิริยาที่ริสยาความเป็นผู้ชิงชังเรียกว่าความริสยาความริสยานั้นอันผู้ใดละตัดขาดสงบประงับแล้วทําให้ไม่ควรเกิดขึ้นเผาเสร็จแล้วด้วยไฟคือยานผู้นั้นเรียกว่าผู้ไม่ริสยา คำ ว, ว่าไม่ตามติดใจความว่าตันหาเรียกว่าความติดใจเนี่ยนะก็โลภะอากุศลมูลเรียกว่าความติดใจเพราะนั้นความติดใจนั้นอันผู้ใดละตัดขาดสงบประงับแล้วทําให้ไม่ควรเกิดขึ้นเผาเสร็จแล้วด้วยไฟคือยานเรียกว่าผู้ไม่ตามติดใจเะนั้นผู้นั้นไม่ติดใจไม่หมกมุ่นไม่ลหลงไหลในรูปเสียงกลิ่นรสโภชภาพเป็นต้นนั่นแหละเพราะนั้นเป็นผู้ที่ปราศจากความติดใจหายติดใจสละ สำรอกปล่อยละสละคืนปราศจากความกำหนัดหายสละสำรวมปล่อยละสละคืนความกำหนัดหายหิวแล้วดับแล้วเย็นแล้วเป็นผู้สเสวยความสุขมีตนเหมือนพรหมอยู่เหมือนพรหมเลยนะไม่เศร้าโศกเลยเป็นผู้ประเสริฐอย่างแท้จริงคำว่าผู้ไม่หวั่นไหวคือเป็นผู้เสมอในอายตนะทั้งปวงนะตันหาเรียกว่าความหวั่นไหว ตันหาอันเป็นความหวันไหวนั้นอันผู้ใดละตัดขาดสงบระงับแล้วทำให้ไม่ควรเกิดขึ้นเผาเสียแล้วด้วยไฟคือยานผู้นั้นเรียกว่าผู้ไม่หวันไหวบุคคลชื่อว่าผู้ไม่หวันไหวเพราะละความหวันไหวเสียแล้วผู้นั้นย่อมไม่หวันไหวเอียงดิ้นรนยุ่งวุ่นวายไป น, น, นะไม่วุ่นวายแม้ในลาบความเสื่อมลาบในยศความเสื่อมยศในนินทาสรรเสริญในความสุขความทุกเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเรียกว่าไม่หวันไหวนนะเรียกว่าไม่วุ่ น, น, น, นวายกับเรื่อง อายตนะทั้งหมดนะนะไม่วอนไหวในโลกธรรมทั้งปวงคำว่าเป็นผู้เสมอในอายตนะทั้งปวงอายตนะภายใน6อายตนะภายนอก6กตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่นะเรียกว่าอายตนะเมื่อใดฉันฉันทราฆ่านในอายตนะภายในอายตนะภายนอกอันบุคคนใดละตัดรากเสียแล้วทำให้ไม่มีที่ตั้งดังตายอดด้วนให้ถึงความไม่มีในภายหลังมีความไม่เกิดขึ้นต่อไปเป็นธรรมดา เมื่อนั้นผู้นั้นเรียกว่าผู้เสมอผู้คงที่วางตนเป็นกลางเพิกเฉยในอายตนะทั้งปวงเรียกว่าตัดฉันทราคะตัดเยื่อใยในอายตนะทั้งหมดเหล่านี้แล้วเนี่ยนะเรียกว่าผู้ไม่หวั่นไหวเป็นผู้เสมอในอายตนะทั้งปวงเมื่อไรที่จะเห็นตากระดินเนี่ยมันเท่ากันได้เนี่ยก็ใช้ได้แล้วพันเราถูกถามถึงบุคคลผู้ไม่มีความหวั่นไหวก็บอกอันนี้สรงนั้นเนี่ยนะก็คือประกาศว่า บุคคล น, นั้นเป็นผู้ไม่ริษยาไม่ติดใจไม่หวั่นไหวเป็นผู้เสมอในอายตนะทั้งปวงคาถาต่อไปว่าอภิสังขาอรอะไรๆย่อมไม่มีแก่ บ, บุคคลผู้ไม่หวั่นไหวรู้แจ้งบุคคล น, นั้นงดเว้นแล้วจากอภิสังขารย่อมไม่เห็นย่อมเห็นความปลอดโปร่งในที่ทั้งปวงสํานวนว่าท่านโล่งหมดกับทุกเรื่องนะไม่ได้คล้องอะไรสักอย่างอนะ ตันหาเรียกว่าความหวั่นไหวเนี่ยตันหาที่เป็นความหวั่นไหวนั้นอันผู้ใดละตัดขาดสงบประงับทําให้ไม่ควรเกิดขึ้นเผาเสียแล้วด้วยไฟคือยานผู้นั้นเรียกว่าผู้ไม่หวั่นไหวบุคคลเชื่อว่าผู้ไม่หวั่นไหวเพราะละความหวั่นไหวเสียแล้วผู้นั้นย่อมไม่หวั่นไหวเอ็นเอียงดิ้นรนวุ่นวายไปในราบเสื่อมราบยศเสื่อมยศนินทาสรรเสริญสุขทุกเรียกว่าไม่หวั่นไหวในโลกธรรมทั้งมวลเนี่ยนะ คำว่าเป็นผู้รู้แจ้งก็คือรู้แจ้งอริยสัตตนั่นเองนะนียเรียกว่าไม่หวั่นไหวในโลกธรรมแล้วก็รู้แจ้งแทงตลอดอริยสัตว์โดยประการทั้งปวงอาิสังขารย่อมไม่มี น, นะอพิสังขาอรอะไรๆเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นปุญญาพิสังขารอาปุญญาพิสังขารอเนินชาพิสังขารนะสังขารนะสามเหล่านั้นอันบุคคลใดอ่ะตัดรากขาดแล้วนะรากของสังขารก็คือตัณหาโลภะทิฐิเหล่านั้นเนี่ย พันท่านทําให้ไม่มีที่ตั้งดังตาลยอดด้วนถึงความไม่มีในภายหลังมีความไม่เกิดขึ้นต่อไปด้วยธรรมดาไม่ให้เกิดขึ้นต่อไปอีกเลยนะเพราะถ้าสํารอกอวิชาตันหาอุปาทานเรียบร้อยหมดแล้วเนี่ยกรรมทั้งปวงก็ดับเมื่อกรรมดับมันก็นําเกิดไม่ได้เพราะอภิสังขารทั้งหลายก็ไม่มีไม่ปรากฏไม่เข้าไปได้เป็นสภาพอันบุคคล น, นั้นละตัดขาดสงบระงับทําให้ไม่ควรเกิดขึ้นเผาเสร็จแล้วด้วยไฟคือยาน เพราะฉะบุคคล น, นั้นอ่ะเป็นผู้ที่งดเว้นอภิสังขารที่กล่าวไปนะเรียกว่าเป็นผู้เว้นเว้นขาดเว้นเฉพาะออกสลัดออกไม่เกี่ยวข้องทั้งปุญญาพิสังขารนปุญญาพิสังขานอเนิชาพิสังขารเป็นผู้มีจิตปราศจากแดนกิเลสอยู่อันนะั้นก็เรียกว่าเป็นผู้เห็นความปลอดโปร่งในที่ทั้งปวงคือราคะโทสะโมหะกิเลสทั้งหลายเนี่ยอันก่อให้เกิดภยัย พวกเนี่ยพวกบาปอกุณนี่แหละมันก่อให้เกิดภัยเพราะนั้นเมื่อผู้นั้นละราคะโทสะโมหะมานะทิฐิกิเลสทั้งหลายที่ก่อให้เกิดภัยเสร็จแล้วพวกก็ผู้นั้นก็เชื่อว่าย่อมเห็นความปลอดโปร่งในที่ทั้งปวงที่เรียกว่าภัยก็กิเลสนั่นแหละมันทําให้มีภัยนะถ้าละกิเลสได้หมดแล้วก็ปลอดโปร่งในที่ทั้งปวงเพราะฉะนั้นย่อมเห็นความไม่มีภัยความไม่มีสเสนียรความไม่มีอุบาทความไม่มีอุปสรรคความระงับในที่ทุกสถาน นะครับีกว่าสบายทุกแห่งเรียกว่าผ้าหัน์อยู่ในบ้านก็บ้านก็น่าอยู่ป่าปาก็หน่ารื่นร่มอยู่ในวเสนาสานะบ้านเสนาสานะบ้านก็น่ารื่รนร่มนะคนมีกิเลสอยู่ไหนมันก็วุ่นไวายไปหมดแล้วนะอยู่บ้านบ้านก็ร้อนนะอยู่ป่าป่าก็เดือดติ ก, กนเลยคนมีกิเลสอยู่ไหนมันก็วุ่นวายซึ่งตรงกันข้ามกับผ้าหัน์ผ้าหันท่านอยู่ที่ไหนท่านก็ผาสุขคาถาต่อไปว่ามุนีย่อมไม่พูดถึงตน ในพวกคนที่เสมอกันในพวกคนที่ต่ำกว่าในพวกคนที่สูงกว่าอันพ า, ารหันนี้ไม่มีมานะเลยนะแม้กระดับไหนก็ตามมุนีนั้นเป็นผู้สงบปราศจากความตรนีไม่ยึดถือไม่สลัดเนี่ยนะนี่เป็นคาถาสุดท้ายพระองค์ตรัสอย่างนี้มุนีนี้ไม่พูดถึงตนในคนที่เสมอกันเนี่ยนะก็คือไม่ได้สาคัญว่าตัวเนี่ยเสมอกับเขาต่ากว่าเขาเลวกว่าเขาก็คือไม่มีมานะเนี่ยนะ ก็คือไม่มีมานะเลยมุนีนั้นเป็นผู้สงบเนี่ยนะปราศจากความตรนีเขาสงบเขาสงบราคะโทสะโมหะมานะทิฏกิเลสทุกชนิดเนี่ยนะท่านปราศจากความตรนีคือความหวงแหนไม่ว่าจะหวงแหนในอาวาสในสกุลในลาบในวันนะในธรรมะเนี่ยนะปัญหความหวงนั้นอะความตรนีเหล่านั้นอันมุนีละตัดขาดสงบระงับ แล้วทำให้ไม่ควรเกิดขึ้นเผาเสียจแล้วด้วยไฟคือยานพระฉะนมุนีนั้นจึงเรียกว่าผู้ปราศจากความตรณีหายจากความตรณีกาจัดความตรนีสำรอกความตรนีพ้นจากความตรนีละความตรนีสละคืนความตรนีมุนีนั้นย่อมไม่ละเอ่อมุนีนั้นย่อมไม่ยึดถือไม่ถือเอาไม่เข้าไปถือไม่ถือไม่ยึดมั่นไม่ถือมั่นซึ่งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ ไม่ยืดเอารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแม่แต่รูปเดียวแม่แต่พบเดียวภูมิเดียวนะเพราะฉะนั้นไม่ยืดแม้กระทั่งคติทั้งปวงในคติห้าอุบัติปฏิสนที่ในพบทั้งปวงไม่ว่าจะพบสามสังสารวัติคือขันธ์ธาตุอายตนะที่ซืบเนื่องกงันตายเนี่ยท่านเป็นผู้ละขาดสงบระงับดับหมดแล้วเนี่ยนะ คำว่าย่อมไม่สลัดคำว่ามุนีนั้นย่อมไม่ละไม่บรรเทาไม่ทําให้สิ้นไปให้ถึงความไม่มีซึ่งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ น, นะนีคติอุบัติปฏิสนที่พบสงสารวัตตะนั้นจึงชื่อว่าไม่สลัดนะเพราะอะไรเพราะท่านละสละได้เบ็ดเสร็จอีกแล้วหมดแล้วเนี่ยนะก็ไม่ต้องไปละอะไรอีกเพราะฉะนั้นมุนีไม่พูดถึงตนในพวกคนที่เสมอกันในพวกคนที่ต่ํากว่าในพวก ที่สูงกว่ามุนีนั้นเป็นผู้สงบปราศจากความตรณีไม่ยึดถือไม่สลัดเนี่ยนะเพราะว่าบรรลุเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะพระพุทธเจ้าตรัส ด, ดังนี้นี่ก็เป็นคาถาที่จบด้วยยอดที่พระอรหันต์เหมือนกันเนี่ยนะข้อความในอัตตะทันดะสุตานิเทศที่สิบห้าก็จบลงแต่เพียงเท่านี้เนี่ย